ชาวนี้เป็นเช้าวันที่สามวันนี้เราจะต้องเจออะไรอีกหลายอย่างซึ่งอาจจะแตกต่างจากเมื่อวานเส้นทางข้างหน้าของเรานี่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหรือว่าไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวัง ความยากลำบากก็กำลังรอเราอยู่เช่นเดียวกันเมื่อสักสองสามอาทิตย์ก่อนอาตอมาได้พาคนไปปิกวิเวกนะปฏิบัติธรรมในป่ากลางเต้นกันนะอย่างที่พวกเราหลายคนได้ทำแต่ว่าบรรยากาศแตกต่างกันเยอะเพราะว่า ในป่าผู้หลงบริเวณนั้นเนี่ยมันเงียบสงบผู้หลงนี่ก็มีหลายมุมนะป่ามหาวันที่ถ้าได้ไปสัมผัสก็จะรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบแล้วก็ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติปฏิบัติทมกมามาันประมาณเจ็ดแปดวันคล้ายๆกับช่วงเวลาที่เราเดินธรรมยาตรานี่แหละ ผู้คนก็ปิดวาจาต่างคนต่างก็อยู่กับการปฏิบัติดูจิตดูกายของตัวไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวไปไหนก็เดินแล้วก็นั่งอยู่ที่ศาลาแล้วก็บริเวณร อ, รอบเต็นต์ต่างคนต่างก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่ค่อนข้างมาก อันนี้มันต่างจากที่นี่มากเลยนะธรรมยราเราต้องเดินเคลื่อนที่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายผู้คนก็ส่งเสียงจะมีเสียงดังเกิดขึ้นรอบตัวเรา อยู่แทบทั้งวันแม้กระทั่งในเวลาค่ำคืนแต่จะว่าไปแล้วทั้งสองทั้งสองกรณีนี่มันก็เหมือนกันอย่างหนึ่งนะก็คือว่า ม, มันเป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งอยู่ในปา่าหรือเล่นก็เป็นการภาวนา ออกมาเดินนะกันเป็นร้อยแล้วเคลื่อนกันไปไม่ได้หยุดค้างแรมไม่เคยซ้ำที่แม้จะมีความยากลำบากนะกว่ามากกว่ากันมากแต่ว่าก็เป็นการภาวนาบรรยากาศแตกต่างกันจริงนะแต่ว่ามันก็เป็นการภาวนาเหมือนกัน บางคนไปเข้าใจว่าการภาวนาเนี่ยมันต้องต้องอยู่ในที่เงียบเงียบนิ่งนิ่งถ้าออกมาเคลื่อนกับเป็นขบวนแบบนี้แถมเจออะไรต่ออะไรมากมายทั้งเสียงทั้งแดดทั้งลมก็คิดว่านั่นไม่ใช่การภาวนาเคยมี ผู้ชายคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเมื่อได้ข่าวว่ามีธรรมญาตราจัดโดยหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็วัดป่าสุกโตก็เดินทางมามาพักที่สุกโตก่อนแล้วค่อยต่อไปที่ที่จุดพักแรมซึ่งอยู่ไม่ไกลแต่ว่าคืนแรกที่ ที่มาเห็นเนี่ยมันก็ผิดจากความคาดหวังของเขาเพราะว่าคืนนั้นมันมีสันธนาการแต่และกลุ่มก็มามานําสันทนาการสลับกันวันวันต่อวันบังเอิญคืนนั้นเนี่ยกลุ่มที่นาสันทนาการนี้เขาก็ทาได้ถึงใจชาวธรรมยาตรามากก็มีเสียงหัวเราะสนุกสนานกัน ชายคนนี้ก็มีความผิดหวังเพราะว่าตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมตั้งใจจะมาพบกับความสงบแต่ก็มาเจอบรรยากาศแบบนี้ผิดหวังมากวันรุ่งขึ้นก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเลยอยู่แค่คืนเดียวเที่ยวเช้าก็ติดรถธรรมยร า, าที่ไปส่งคนกลับบ้านเนี่ยไปด้วย เขาถามว่าทำไมรีบกลับเพิ่งมาอยู่ได้คืนเดียวเขาบอกว่าที่นี่ไม่สงบเลยเขาบอกว่าเขาคาดหวังที่จะมาภาวนาแต่ว่ามาเจอแบบนี้ที่จริงเนี่ยถ้าเขารู้จักรักษาใจของตัวให้ดีที่นี่มันจะพุ่นวายเสียงจะดังยังไง แต่ว่าไม่ได้แปลว่าใจจะต้องวุ่นวายไปด้วยผู้คนส่งเสียงดังแต่ว่าใจเราสงบได้อยู่ที่ว่าจะรักษาใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารู้ทันจิตใจของตัวเองมากน้อยแค่ไหนหลายคนคิดว่าภาวนานี่หรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเป็นที่ที่สงบไอ้ความสงบอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นของที่ ชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะในชีวิต จ, จริงมันไม่ได้สงบอย่างที่เราคาดหวังแม้แต่อยู่ในป่านะก็ยังต้องมีเสียงอสอดแทรกเข้ามาอยู่บ่อยๆหรือถึงจะมีความสงบแต่ว่าพอเจอผู้คนก็วังใจไม่เป็นนะใจก็ไม่สงบได้แม้ว่ารอบตัวนี้จะสงบคนที่ภาวนามา ก็คงจะรู้ว่าแม้จะอยู่ในห้องที่เงียบติดแอร์หรืออยู่ในป่าที่สงบแต่บ่อยครั้งใจมันก็ไม่สงบเลยไม่สงบหรือไม่มันอยู่ที่ใจไม่ได้ที่สิ่งแวดล้อมแล้วความการที่ใจไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่า มีความคิดปรุงแต่งสารพัดเท่านั้นแต่ว่ามันยังอาจจะไม่สงบเพราะว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความขัดขืงใจขึ้นมาซึ่งที่จะมารบกวนความสงบในจิตใจมันไม่ใช่มีแค่ความคิดแต่มันยังมีอารมณ์ที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากพัฒนาที่ มากระทบเห็นตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเวลาเราตีเล่นไปภาวนาเราก็มีสติอยู่กัการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของลมหายใจการเคลื่อนไหวของของร่างกายขณะที่เดินหรือว่าแม้จะนั่งนิ่งๆก็เคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะ อันนี้เราสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นแต่ว่าถ้าหากเราออกไปข้างนอกนในสิ่งที่จะเป็นตัวเด่นก็คือผัสสะรูปรถกลิ่นเสียงที่ระดมมาที่ตัวเราแล้วก็คนธรรมดาก็มักจะเกิด ความคิดและอารมณ์ตามมาความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจบก็เกิดจากผัสสะเกิดจากเสียงเกิดจากรูปที่ได้ได้รับรู้นะธรรมยาตราเนีย่ยมันก็เต็มด้วยผัสสะนะสารพัดทั้งเสียงทั้งทั้งเสียงทั้งผู้คนทั้งแดดทั้งลม แล้วก็เห็นตามท้องตามพื้นถนนภาษาเหล่านี้เนี่ยสาระคนทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งกระตุ้นทาให้เกิดความคิดปรุงแต่งและก็อารมณ์ที่เป็น อ, อกุศลมากมายเช่นความขัดเคืองใจความโกรธนะบางทีก็มีความพอใจความยินดีไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะเป็นอุปกรณ์อย่างดีสําหรับการ ภาวนาเพราะว่าจะไดะ้เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกดูใจของเราถ้ามันนิ่งนะก็จะเห็นอาการของใจได้ลำบากเพราาอาจจะเคลิ้มไปกับความสงบแต่ว่าพอมันมีการเคลื่อนไหวมีอาการต่างๆเกิดขึ้นนะเราก็ได้ ก็เหมือนเป็นเหมือนก็เลยเลยกลายเป็นการบูช า, าการดูใจเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นเห็นความกุ่นเคืองที่เกิดขึ้นเห็นความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นกับกายเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจนะธรรมย า, รานี้มันเป็นโอกาสเป็นเวทีอย่างที่สาหรับการปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าหากถ้าเกิดว่าเราติดความสงบนะจากการภาวนาในที่เงียบในที่สงบพอมาเดิน ที่กับธรรมญาตาก็จะมีความขุนเคืองใจได้ง่ายหรือมีความสุบผิดหวังแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำตามความขุนเคืองทำความทำตามความผิดหวังก็ถือว่าสอบตกแล้วนะเพราะว่านาทีนรกปฏิบัติธรรมคือดนะูดูให้เห็นไม่ใช่ตามมันเข้าไปหรือว่าเป็นนะไอ้ถ้าเราตามมันตามความคิดตามอารมณ์นี่ถือว่าเป็นแนะ เช่นมีความขุนเคืองใจก็พอตามมันไปก็กลายเป็นผู้ขุนเคืองใจแต่กลายเป็นผู้ขุนเคืองมีความโกรธเกิดขึ้นตามมันไปก็กลายเป็นผู้โกรธไม่ใช่ผู้เห็นไม่ใช่ผู้ดูไอเราตะหนักนะว่าการภาวนานี่มันหรือการปฏิบัติธรรมมันเกิดขึ้นในตลอดเวลาทุกที่ แล้วยิ่งที่ใดที่มันมีผัสสะที่ชวนให้ไม่พอใจก็ยิ่งดีเข้าไปใหญนะ่ใช้คำว่าชวนให้ไม่พอใจนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่พอใจทันทีมันแค่มาชวนเรา แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจก็แสดงว่าเรารับคำชวนนั้นจะไปโทษสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นแดดหรือว่าผู้คนหรือลมก้อนหินกรวดสิ่งเรานี้มันเป็นแค่ชวนให้เราทุกข์เสียงที่ดังก็มาชวนให้เราไม่พอใจอยู่ที่ว่าเราจะรับคำชวนนั้นหรือเปล่า ถ้าเราทุกข์ใจก็แสดงว่าเรารับคําชวนนั่นไปแล้วแล้วที่เรารับก็เพราะเราเผลอเราไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยเราจ้ก็จะเห็นมันอย่างนั้นแหล ะ, ะเห็นมันจะไม่หลงไม่เพลินอาการเจริญอาการเดินธรรมญาติเรอย่างผู้เไวอเมืมอม่อเช้าเมื่อวานนะว่าให้เราหมั่นดูใจ ไม่ใช่แค่ดูความคิดที่เกิดขึ้นแต่ให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอารมณ์ฝ่ายลบนความโกรธความท้อแท้ความขุนเคืองถ้าเราเห็นด้วยสติแล้วเนี่ยมันไม่เข้าไปเป็นนะไม่เข้าไปเป็นหลวงพ่อ ท่านก็ได้ย้ำอยู่เสมอแล้วก็เมื่อวานที่เราก็ได้ยินนะท่านท่านพูดอยู่เสมอว่าให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นคำ ว, ว่าเข้าไปเป็นเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าเหมือนกับเราโจรเข้าไปถ้าเห็นเนี่ยมันก็จะอยู่อ่างหางถ้าไม่เห็นเนี่ยมันก็เข้าไปเลยนะเข้าไปเป็นหมายความว่าอย่างไรก็เช่นว่าเวลามีความโกรธ แทนที่จะเห็นความโกรธก็ไปเป็นผู้โกรธมีความเจ็บความปวดเกิดขึ้นแทนที่จะเห็นมันก็เข้าไปเป็นผู้ปวดมีความท้อแท้เกิดขึ้นแทนที่จะเห็นมันก็เข้าไปเป็นผู้ท้อแท้จะเห็นได้เพราะต้องมีสติต้องดูใจแล้วถ้าเราดูก็จะพบว่ามันเป็นอันหนึ่งไม่ใช่เรา เห็ความโกรธความขุนเคืองใจมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจแต่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นความโกรธไม่ใช่เกิดความรู้สึกสําคัญว่าเราโกรธมีตัวอย่างนที่น่าสนใจน ะ, ะน่าประทับใจด้วยอาจารย์ประสงค์ปริปุโนโนนั้นท่านเคยเล่า ว, ว่าเกิด ไปแสดงธรรมในโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุแปดขวบ mm hmm. เด็กก็เป็นเด็กฉลาดพูดจาคล่องแคล่วก็ไปสนทนาด้วย mm hmm. สนทนาสักพักก็บอกกับเด็กว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กดีมีปัญญานลหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วท่านก็หยิบรูปประคำขึ้นมาจากย่าม mm hmm. เด็กพอเห็นรูปประคำเด็กก็ร้องอู้โฮ อาจารย์ประสมค์ก็เลยถามว่าหนูเห็นอะไรหนูจึงร้องโอ้โหเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะหนูเห็นข้างในมันดีใจเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูเห็นหนูดีใจนะถ้าเด็กตอบว่าหนูดีใจนั่นแสดงว่าเด็กเป็นผู้ดีใจแล้วแต่เด็กไม่ได้ตอบอย่างนั้นเด็กบอกว่าหนูเห็นความดีใจข้างในค่ะแล้วอาจารย์ประสงก็เลยถามว่าแล้วหนูทําอะไรกับมันล่ะ เด็กก็ตอนหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันความดีใจมันลดลงไปแล้วเนี่ยคือความหมายคําว่าดูหรือว่าเมื่อดูก็จะเห็นเห็นอะไรเห็นข้างในมันดีใจเห็นข้างในมันขุนเคืองใจเห็นข้างในมันโกรธเห็นข้างในมันบนแต่ไม่ใช่เราขุ่นเคืองไม่ใช่เราดีใจไม่ใช่เราบน มันเป็นแค่อาการที่เกิดขึ้นกับใจหรือว่าอาการที่เกิดขึ้นกับกายเช่นปวดเมือ่อยเราก็เห็นมัน้าให้เห็นอะไรเห็นความปวดเกิดขึ้นที่เท้าที่แขนที่มือที่หลังแต่ไม่ใช่เราปวดเราเมือ่อยอันนี้แหละคือความหมายว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นนะเมื่อเห็นเนี่ยถ้าถ้าไม่เห็นมันมันก็เข้าไปเลยนะเข้าไปเลย เข้าไปอยู่เข้าไปจมในอารมณ์นั้นแต่ถ้าเห็นเนี่ยมันจะดึงออกมาดึงจิตออกมายวงห่างไม่เข้าไปเห็นนี่ก็คือค อ, อาการที่จิตเนี่ยมันถูกดึงออกมายวงห่างเหมือนก็มีกองไฟอยู่ข้างหน้าแทนที่จะเข้าไปในกองไฟแล้วก็ปวดก็เจ็บกับกองเพลิงนั้นก็แค่เห็นเฉยเ วางระยะยืนระยะห่างจากกองไฟมันก็ร้อนน้อยลงยิ่งเราอยู่ห่างจากกองไฟไม่เท่าไหร่เราก็จะร้อนน้อยลงเป็นทุกน้อยลงอันนี้เราคือความหมายที่หลวงพ่อท่านพูดว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นแล้วถ้าไม่เข้าไปเป็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรหลวงพ่อท่านก็จะพูดอีกประโยชนหนึ่งว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนประโยคนี้เราเห็นบ่อยมากใน ทำไมยัจจาครั้งนี้เพราะว่าเสื้อยืดของคนที่เดินข้างหน้าเราเนี่ยมีข้อความนี้ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะหลเพราะทั้งเคยพูดเนี่ยเมื่อเห็นนะเมื่อเห็นเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปเป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจเมื่อเห็นแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่เข้าไปเป็นอะไร อาการที่เกิดกับกายและใจอาการที่เกิดกับกายและใจเช่นอะไก็ได้แก่ความปวดความเมื่อยความสบายนะเรียกว่าสุขคุเวทนาก็ดีทุกคุเรศนาก็ดีนั่นก็คืออาการที่เกิดขึ้นกับกายอาการที่เกิดขึ้นกับใจก็ยกตัวอย่างไปหลายอย่างแล้วเนาะความโกรธความดีใจความคุ่นเคืองความท้อแท้ความเบื่อหน่ายนี่คืออาการที่เกิดขึ้นกับใจ ถ้าเราเห็นมันนะเราก็ไม่เป็นผู้กโกรธผู้เราไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยไม่นี่เรียกว่าไม่เป็นอะไรกับอาการที่เกิดกับกายเมื่อเรามีสติเราไม่เราไม่เข้าไปเป็นไม่เป็นผู้โกรธผู้ท้อผู้เบือ่อผู้เซ็งอันนี้ก็เรียกว่าไม่เป็นอะไรกับอาการที่เกิดกับใจ อาการที่การที่เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยการที่เป็นผู้โปรดผู้โกรธผู้ท้อแท้เนี่ยเราเรียกอกย่างนี้นว่ามันมีความไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไปยึดอาการที่เกิดขึ้นกับการละใจว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้ก็ทำให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเห็นแล้วก็ไม่เป็นเราก็ไม่ไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็น ล้วก็ไม่ยึดอาการที่เกิดกับการและจักาเป็นเราเป็นของเราใหอเราเป็นอิสระนะคว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยคืออันนี้ซึ่งเกิดจากการที่เราเริ่มด้วยการที่เรามีสติดูสติเห็นไม่เข้าไปเป็นมันเป็นประโยชน์มากเลยนะสำหรับการการภาวนาแล้วก็เป็นประโยชน์มากสำหรับการเดินธรรมยตราเพราะว่า เรามักจะเป็นผู้ทุกข์เรามักจะเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเป็นผู้โกรธเพราะว่ามันมีผัสสะเกิดขึ้นมากมายที่ร้วนแต่ชวนให้ขัดใจชวนให้คุณเคืองใจชวนให้ท้อแทนะ้แต่ถ้าเรามีสตินะเราก็จะไม่ไปยึดเอาอาการที่เกิดกับกายและใจเป็นเราเป็นของเราปวดเมื่อยมันห้ามไม่ได้นะเพราะว่าเราเดินไกล เรานั่งนานนะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่แปลว่าเกิดกับการแล้วจะต้องจ่ายต้องเป็นทุกข์เสมอไปหลวงพ่อต้องมาพูดนะเมื่อวานนี้ว่าทุกขนะแต่ว่าอย่าเป็นผู้ทุกนะโกรธจะเป็นผู้กโกรธนะหมายความว่าเมื่อมันมีความทุกข์กายเกิดขึ้นใจก็ไม่ไปช่วยไปยึดเอาจนใจทุกหรือเป็นผู้ทุกนะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยในภาษาทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นแต่สิ่งที่ชวนให้เราทุกข์ชวนให้เราโกรธเผลอเมื่มอไหร่ความโกรธก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจแต่ว่าถ้าเรามีสติทันมันก็สลัดออกไปมันก็วางมันก็ปล่อยแม้แต่เวลาเราปวดเราเมื่อยเนี่ยนะถ้าเราสังเกตดีๆนะมันเป็นแค่อาการที่เกิดขึ้นกับกาย ปวดเมื่อยเจ็บแต่ว่าไม่ได้แปลว่าใจจะต้องปวดใจต้องเมื่อยใจต้องเจ็บไปด้วยสติจะช่วยให้เราให้เราแยกนะสลัดไอ้ความทุกข์ที่เกิดกับกายไม่ให้มาเกิดขึ้นกับใจกายปวดกายเมื่อยแต่ใจเป็นปกติเนะี่ยทําได้นะแต่ว่าใหม่ๆก็ธรรมดานะ พอกายปวดกายเมือ่อแล้วใจก็ปวดใจก็เมือ่อใจก็ทุกข์ตามไปด้วยแล้วก็จะบ่นตีโพยตีพายอันนี้ก็ยังไม่สายที่เราจะมีสติรูนะ้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเพียนงะแค่เห็นเนี่ยมันก็ทำให้ความทุกข์มันหล่นไปจากใจมันหลุดไปจากใจทำให้ความโกรธมันหายไปจากใจได้แค่เห็นเฉยๆนะ ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันทำไมแค่เห็นเฉยเฉยมันจิตหายไปก็เพราะว่ามันเนี่ยเหมือนกับขโมยมันเนี่ยเหมือนกับขโมยที่เข้ามาเวลาเราเผลอขโมยมันเข้าบ้านเวลาเผลอพอมันเข้ามาในบ้านเรานั่นก็เพราะเราเผลอแต่พอเรามีสติพอเรารู้ตัวมันก็ตกใจ มันก็ค่อยๆหายไปเข้าไปเห็นมันเฉยๆนะหรือบางทีก็เรียกว่าใจเอกับมันมีครูหลายคนก็สอนเด็กแบบนี้นะให้รู้จักใจเอกับความคิดให้ใจเอกับอารมณ์ควาว่าใจเอนี่มันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าไม่ต้องทำอะไรก็แค่แค่ไปเจอไปเชิญหน้ากับมันหรือแค่รู้ทันมันมันก็ไปนะครูสอนเดียงว่าให้ใจเอกับมัน ให้ใจเอกกับความคิดให้ใจเอกกับอารมณ์ความรู้สึกมันดีใจก็ใจเอกับมันมันเสียใจก็ใจเอกับมันไม่ต้องไปขับไล่สายส่งมันมันก็หายไปเองเพราะว่ามันมาตอนเราเผลอแต่เมื่อเราไม่เผลอมันก็กลัวมันก็อายลบลี้หนีหน้าเราไปเองเพราะนั้นเวลาเราเจอความทุกข์ระหว่างทางหรือว่ามาถึงที่พักแล้วก็ เจอความทุกข์เพราะว่าที่พักไม่ไม่ไม่ดีห้องน้ําก็ น, น้อยสังเกตดูใจเนะี่ยย็นความขุนเคืองใจที่เกิดขึ้นก็เท่านั้นก็ช่วยได้มากแนละ้วให้เขไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยความหมายเนื้อคืนนี่แหละกคือว่ า, าการที่เรามีสติทําให้ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเป็นผู้โกรธผู้ท้อ แค่มีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นแค่มีความท้อเกิดขึ้นก็พอแล้วแต่ว่าไม่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอีกความหมายหนึ่งการไม่เป็นอะไรกับอะไรคือว่าการที่ไม่เป็นอะไรเลยคือไม่เป็นคนไทยไม่ได้เป็นคนไม่เป็นคนกรุงเทพไม่เป็นนักภาวนาไม่ได้เป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นคนเก่งคือไม่เป็นอะไรเลย ไม่เป็นแม้กระทั่งพ่อแม่หรือว่าลูกเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสมมุติเป็นแม่ก็ทุกแบบแม่เป็นพ่อก็ทุกแบบพ่อเป็นพระก็ทุกแบบพระเป็นคนไทยก็ทุกแบบคนไทยอันนี้ก็คือว่าไม่ไปยึดสมมุตินะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสมมติเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะมพราว่าความ เรีว่าไม่มีปัญญาเพราะอาวิชชานะอันนี้เนี่ยก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องยากเนะี่ยเพราะว่าต้องมีปัญญาที่จะเข้าใจความจริงขั้นปรามาถึงจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ผู้คนคิดว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่เนะี่ยมันสมมติทั้งนั้นนะแล้วพอสมมติเนี่ยก็ทําให้ทุกข์ไม่เป็นแม้กระทั่งตัวฉัน ไอ้ตัวฉันเนี่ยสาคัญนะพอการปลุกมันเป็นตัวฉันก็ทาให้ไปเป็นโน่นเป็นนี่ยืดเยื้อตามาเป็นพรวนนะแต่พอไม่มีความสำคัญมาหมาตัวฉันแล้วมันก็จะไม่เป็นอะไรกับอะไรเ พ, พราะพรว่ามันเป็นแค่สมมุติก็ทาไปตามหน้าที่เป็นพระก็ทำหน้าที่อย่างพระเป็นแม่ก็ทำหน้าที่อย่างแม่เป็นพ่อก็ทำหน้าที่อย่างพ่อแต่ว่าไม่ได้มีความ สำคัญมั่นหมายเพราะว่าให้ความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีลูกมีลูกขึ้นมาก็ถึงเป็นแม่ถึงเป็นพ่อมาไม่ได้เป็นสิ่งที่เชิงแท้แน่นอนมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีลูกก็ไม่เรียกคนนั้นว่าไม่เรียกผู้หญิงว่าเป็นแม่ไม่เรียกผู้ชายเป็นพ่อมันเป็นแพทคํคำเรียกขานเมื่อเกิดมีเหตุปัปจจัยถึงพร้อมเท่านั้นเอง อันนี้ก็คือไม่เป็นอะไรกับอะไรในความหมายที่ที่ลึกที่สุดนะซึ่งถ้าเข้าใจตรงนี้ถ้าถึงตรงนี้ด้มันก็เป็นสระเป็นไม่ไม่เป็นทุกข์นะแต่อย่างไรก็ตามนะั้นเราก็เอาความหมายาแรกก่อนนะก็คือว่ามันมีความปวดความเมื่อยแล้วก็ไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยมันมีความขุนเคืองใจนะก็ไม่เป็นผู้ขุนเคืองใจและให้ดีก็ตระหนักว่าไอ้ความขุนเคืองใจนี่มัน มันไม่ได้เกิดขึ้นจากลมไม่ได้เกิดขึ้นจากแดดไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้คนไม่ได้เกิดขึ้นจากก้อนหินไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่ชวนเราให้โกรธชวนเราให้ทุกข์เท่านั้นแหละถ้าเราไม่รับความชวนเราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่ปวดเราก็ไม่ขุ่นขึองใจแต่เพราะเราเผลอเราก็เลยรับคาชวนแล้ว เ, เราก็เลยทุกข์แต่ก็ยังทันที่เราจะมีสติมีสติแล้วก็วางมัน เราก็ไม่ไม่รับมันต่อไ ป, ปการเดินธรรมยาตาเนี่ยเราเดินเพื่อมาเจอทุกไม่ใช่มาเพื่อเจอความสบายแต่เพื่อจะได้ฝึกว่าเมื่อเจอทุกทําอย่างไรใจจะไม่ทุก เ, เดินธรรมยาตานี่ไม่ได้เดินเพื่อหาความสบายแต่เดินเพื่อมาหาความทุกแท้แต่ไม่ใช่เป็นเป็นการ หาความทุกข์ใส่ตัวไม่ใช่เป็นการเดินมาเพื่อหาความทุกข์ใส่ใจแต่เดินมาหาความทุกข์เพื่อที่จะได้เรารู้ที่จะอยู่กับมันได้โดยใจไม่ทุกข์อันนี้เป็นศิลปะของการดำเนินชีวิตทีเดียวนะไม่ใช่แค่เป็นศิลปะของการเดินนามยัตตราเดินเพื่อเดินมาเจอทุกข์แต่ไม่เอาทุกข์มาใส่ตัวไม่เอาทุกข์มาใส่ใจแต่เดินมาเจอทุกข์เพื่อที่เราจะได้อยู่กับทุกข์โดยที่ใจไม่ทุกข์นะ ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเดินมักจะหนีทุกแ ต, ต่อไม่ยั้งใจไม่เลยเราเดินเพื่อเข้าหาทุกแล้วก็วันนี้ก็จะมีทุกขมากขึ้นนะตามทางแต่ก็จะฝึกว่าเออเจอทุกแล้วใจไม่ทุกได้อย่างไรแล้วจะเป็นใจจะเป็นอิสระจากความทุกได้อย่างไรหรือท้ายที่สุดนั้นคือว่าหาประโยชน์จากมันเอาความทุกนั้นแหะเป็นครูสอนเรานะเอาความทุกนั่นเป็นครูสอนเรา แต่ว่าถ้าเกิดว่าสติเรายังไม่ทันสติเราจะไม่ไวก็ให้เราลองทำใจแบบนี้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราจะยอมรับทุกอย่างโดยไม่ปริปากบนอยากให้เราเริ่มต้นกันแบบนี้ก็ได้มันจะช่วยให้สติเราเนี่ยมีกำลังขึ้นมาเป็นช่วยให้เห็นไม่เข้าไปเป็นเริ่มต้นโดยการทำใจว่าเราจะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น บนเส้นทางโดยที่ไม่ปิีปากบนถ้าเริ่มต้นตรงนี้ได้นี่การเดินธรรมยถ า, าจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะยอมรับเพราะอะไรยอมรับเพราะว่ามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วบ่นไปก็ไม่มีประโยชน์บ่นไปก็มีแต่จะทุกข์ใจเปล่าหรือว่าจะเป็นการซ้ำเติมความทุกข์นะทามันก็แฉ่ทามันก็เป็นรูปเป็นบนะมันเกิดขึ้นแล้วบ่นไปก็ ทำให้เสียสูญเพราะป่ า, ปายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นความจริงปฏิเสธไม่ได้หรือย อ, รรร ย, ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเช่นเจ็บต้นป่วยก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาคนเราจะต้องเจ็บต้องป่วยของหายก็ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาที่ของนี่มันจะอยู่กับเราไม่ได้นานมันไม่จีรังยั่งยืนของเสียฉีกขาดก็ยอมรับมันเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่คงที่คงตัว หรือจะยอมรับก็ได้ว่ามันเป็นแบบฝึกหัดของเรามันเป็นส่วนของการบูชาครูนะหลายคนมาเพื่อที่จะแสดงความกตัญญูรู้คุณและเพื่อเป็นการบูชาครูหลวงพ่องเขียนท่านก็สอนอยู่ว่าให้ใหเวลาเจอทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์ หรือว่าเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกขนะ์ท่านสอนยึ่เป็นประจำพอเราเจอทุกข์กลางทางเราก็ยอมรับมันเพราะถือว่ามันเป็นเครื่องมือนะในการที่เราจะได้ฝึกเปลี่ยนให้มันกลายเป็นความไม่ทุกข์ไปซะหรือยอมรับในแง่ที่ว่าเมื่อจะบูชาครูก็ต้องยอมก็ต้องพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญทุกอย่างนะเวลาเราอยู่กับครูเนี่ยครบูบอกให้ทาอะไรเราก็ทา นะยิ่งเป็นครดูดูด้วยแล้วเนี่ยแม้จะเจอกันบ้างที่ยากเราก็ต้องทําเพราะว่าเราเชื่อฟังครูนี่ขนาดเชื่อฟังเราอย่งทําทุกอย่างเลยนะยิ่งถ้าเราบูชาครูแล้วเนี่เราต้องพร้อมเลยเรียกว่าสีโ ล, ลราให้เลยนะกับทุกอย่างที่เจอขึ้นบนเส้นทางของการบูชาครูนะถ้าถ้ามาเพื่อบูชาครูแล้วบนโน่นบนนี่นะ อันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการบูชาครูด้วยใจที่สี่โลราบอย่างแท้จริงลองทําใจอย่างนี้ก็ได้สำหรับคนที่คิดเราเป็นศิษย์มีครูเราเป็นศิษย์มีครูเราเดินตามครูเพราะฉะนั้นเรากล้าสู้ทุกศิษย์มีครูต้องกล้าสู้ทุกเดินตามครูก็ต้องกล้าสู้ความยากลําบากเรามองจะมอง หรือจะมองว่ามันมีประโยชน์ก็ได้นะทุกอย่างเนี่ย<ม>รู้แล้วแต่มีประโยชน์หรือเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อย่างที่อาจารย์ประมวลจะพูดเมื่อวานไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรู้แลแต่มาเพื่อจะช่วยเรามาเพื่อที่จะช่วยเรานะให้ให้ผ่านมันไปให้ได้มาเพื่อที่เราจะได้บทเรียนจากมันหรือว่าเราเกิดมาเพื่อมันก็ได้นะ ienza, เกิดมาเพื่อที่จะได้เจอกับมันอีกครั้งหนึ่งและเพื่อที่เราจะได้ผ่านไปให้ได้ เรามีวิธีเรามีเหตุผลหลายอย่างนะที่ควรจะยอมรับความยากลาบากที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธรรมญาตราจะเชื่อเลยนะว่าถ้าเรายอมรับได้ยอมรับด้วยใจที่เป็นกลางไม่บนไม่ผักใสนะเราจะเป็นปกติเราจะมีความสุขความยากลาบากจะกลายเป็นของสนุกขึ้นมานึกถึงตอนที่อาจารย์ประมวลได้ไปอินเดีย เมื่อหลังจากที่ได้อสมเร็จการศึกษาจาอินเดียแล้วก็ไม่ได้ไปเลยจนกระทั่งหลังจากที่เดินกลับไปบ้านที่ส ม, มุยแล้วท่านก็ไปเดินที่อินเดียอีกครั้งหนึ่งก็เดินนานทีเดียวนะอย่างที่อาจารย์ว่านี่เดินเป็นปีร่วมปีได้อินเดียนี่หลายคนเนี่ยครั่นคร้ามขรั่นครามเพราะว่ากลัวแขกกลัวความยากลาปากสำนวนที่ว่าเจองูกับ เจอแขกให้ปีแค่ก่อนเนี่ยนะมันสะท้อนถึงความรู้สึกกลัวไม่ไว้ใจประทับใจที่อาจารย์ประมวลตั้งจิตตั้งแต่เริ่มเดินทางว่าจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียนะทุกอย่างที่เป็นของอินเดียจะยอมรับหมดนะไม่ว่าจะเจอคนอินเดียแบบไหนเขาจะเรียกเงินเท่าไหร่ก็ไม่ต่อไม่ร้องไม่ต่อรองนะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดีย แล้วบางครั้งก็ไปเจอแขกที่เขาเรียกค่าค่ารถเกินราคาก็ไม่ต่อรองก็ให้นะไปเส้นทางนี่เดี๋ยวเขาเรียกห้าสิบท่านก็ให้ไปเลยนะ5ะแต่แขนี่พอเห็นอาจารประมวลกล้าให้นะก็เลยบอกว่าเมื่อกี้พูดผิดนะที่จริงสนะิบ้าไม่ใช่ห้าสิบก็จะเจอประสบการณ์จริงๆแบบนี้เยอะนะการเดิน การไปอินเดียของอาจาประมูลนี่ก็จะกลายเป็นเรียกว่าเต็มไปด้วยความเต็มไปด้วยความสุขเพราะว่าใจเปิดรับทุกอย่างแล้วก็ทําให้ได้เห็นอะไรต่ออะไรมากมายเกิดแง่คิดเกิดบทเรียนได้ธรรมะเพราะใจเปิดแล้วเนี่ยใจไม่ปิดใจไม่ผักสายแล้วพวเราก็เช่นเดียวกันนะเราลองตั้งใจว่าเราจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นธรรมยัตราทุกอย่างที่ประสบบนเส้นทางธรรมยัตรา แล้วเราจะเปิดเมื่อใจเราจะเปิดแล้วธรรมะนี่ก็จ ะ, ะแสดงให้เราเห็นสอ ง, สองข้างทางแล้วก็กับใจของเราแล้เราจะมีความสุขนะกับการเดินใช้ชีวิต ร, ร่วมกันกับคณะธรรมยาตามากขึ้นเอาละเช้านี้ก็พูกันเท่านี้นะขอกราบคระพรมั